พระองค์ก็ทรงดำรงอยู่ในภพดุสิตนั้นตลอดพระชนมายุพอพระองค์รับคําที่ว่าจะจุติเนี่ยนะพระองค์ก็เสด็จพระพุทธเสด็จดําเนินไปที่สวนนันทวันบอกว่าสวนนันทวันสวนที่น่ารื่นรมเนี่ยมีอยู่ในสวรรค์ทุกชั้นพระองค์ก็เสด็จไปที่สวนนันทวันพวกเทวดาทั้งหลายก็เป็นพวกพนักงานคอยรายงานว่าบุญนี้พระองค์ก็ทํามาแล้วพระเจ้าข้าบุญนี้พระองค์ก็ทํามาบุญนี้ก็มาทำมาเทวดามาช่วยรายงานบุญที่พระองค์เคยทํามา เพราะว่าถ้าหากว่าระลึกถึงบุญไม่ได้ก่อนตายเนี่ยจะไปไหนดีก็เป็นไปตามนิมิตเอ่ออะไรนะตามกรร ม, มนิมิตคตินิมิตแล้วก็อะไรกรร ม, มะอารมณ์เทวดาก็มาช่วยให้ระลึกถึงโดยกรร ม, มนิมิตกับกรร ม, มะอารมณ์เนี่ยบอกพระองค์กรรมนั้นพระองค์ก็ทํามากรรมนิมิตเช่นนี้พระองค์ก็ทํามาเป็นต้นถ้าคอยรอคตินิมิตมันก็เหมือนกับรอว่าฝันจะว่าจะไปเกิดที่ไหนดีก็สุดแท้แต่ความฝันมันเอาแน่ไม่นอนไม่ได้ะนะเทวดาก็ช่วย เล่าให้ฟังว่าบุญเช่นทวะให้ข้าวให้น้ำให้ผ้ายุดยานพานะระเบียบดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟเป็นต้นแต่ละอย่างพระองค์ก็ทำมาหมดแล้วนะทานศีลภาวนาเป็นต้นแต่ละอย่างพระองค์ก็เจริญมาหมดแล้วพระองค์ก็เล่าให้พระโพ ธ, ธ, า ธ, า ธ, าธาิสัตว์ฟังพระองค์ก็รับฟังอนนะแล้วก็ไปถึงตรงนั้นพระองค์ก็จุติดารงอยู่ในภพดุสิตจนตลอดพระชนมายุแล้วก็จุติจากภพดุสิต ถือปฏิสนธิจจติปแปลว่าเคลื่อนปฏิสนธิปแปลว่าสืบต่อเฉพาะในพระคันของพระนางเจ้ามายาเทวีในราชสกุลสกยะเนี่ยนะด้วยเหตุนั้นพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าพระโพธิสัตว์จุติจากเทกชันดุสิตแล้วเสด็จลงในพระคันในการใดในการนั้นหมื่นโลกธาธกตุก็วันไว้ปัตพีก็วันไะวแผ่นดินเนี่ยวันไว คำว่าอกกมิแปลวล่าก้าวลงเนนะกุตชยังแปลว่าในพระคันของพระพุทธมารดาทศะ ส, ะสหัสสีโลกธาตุกรรมปิดทะพระโพธิสัตว์นี้ทรงมีสติสัมปชัญญะเมื่อลงสู่พระคันของพระพุทธมารดาทรงถือปฏิสนธิโดยนักษัตว์เลิกเดือนอาสาฬหะหลังในดิถีเพนอาสาฬหะพระพุทธเจ้าปฏิสนธิในพระคันของพระพุทธมารดาวันเพนเดือน8วันเพนเดือนแปดนั่นแหละ ปฏิส่นที่ด้วยจิตประเภทไหนมหาวิบากจิตดวงที่หนึ่งะนะมหาวิบากดวงที่หนึ่งที่เหมือนกับแกะแบบมาจากมหากุศลทุกอย่าง ني, ตอนที่เป็นมหากรุสเนี่ยตอนที่ทำคำทำกรรมด้วยมหากุศลดวงที่หนึ่งมหาวิบากก็แกะแบบฟอร์มมาจากมหากุศลดวงที่หนึ่งคือเป็นเหมือนกับมหากุศลดวงที่หนึ่งเพราะอะไรเพราะโสมนัสศาสกาตางังสหรคตด้วยโสมนัสความปราบปลื่มใจดีใจ มีปีติเนี่ยนะสัมปยุตด้วยญาณสัมปยุตด้วยญาณแปลว่ามีปัญญาประกอบและเป็นกุศลที่ไม่มีใครชักชวนเป็นกุศลที่มีเมตานำหน้าคือพระพุทธเจ้าให้ทานก็ให้ทานโดยมีเมตานำหน้ารักษาศีลก็รักษาศีลโดยมีเมตานำหน้าเจริญกุศลธรรมเหล่าใดก็มีเมตานำหน้าหวังว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และ ความสุขแก่เทวดามนุษย์ทั้งหลายเพราะบุญที่มานําเกิดนั้นจึงเป็นมหากุศลดวงมหาวิบากดวงที่หนึ่งที่มีโสมนัตไม่มีการชักชวนและเป็นมหาวิบากที่มีเมตตานําหน้าเพราะตั้งความปรารถนาไว้แล้วว่าการปฏิสนธิครั้งนี้เป็นปฏิสนธิเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ สัตว์ทั้งหลายและพระองค์ก็ให้ประโยชน์ได้จริงๆคำว่ามเมตตาก็คือน้อมนําประโยชน์และความสุขเข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์เนี่ยการเกิดของพระองค์เนี่ยเกิดเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เทวดาทั้งหลายซึ่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็บรรลุประโยชน์บรรลุความสุขหาประมาณไม่ได้หลังจากการเกิดขึ้นของพระองค์เนี่ยนะพระองค์ก็ถือปฏิสนธิหนึ่งในจํานวน1ิบเดวงคือมหาวิบากดวงที่หนึ่งประกอบด้วยปัญญาเป็น สมนัสเนี่ยนะพันความที่พระองค์เนี่ยมหาวิบากชั้นหนึ่งขนาดนั้นเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยเป็นคนใจดีมีความสุขโดยลําพังตัวเองอ่ะนะมีความสุขเป็นคนใจดีแล้วก็ฉลาดไม่เห็นแก่ตัวทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสมควรที่สุดที่จะอยู่ในตําแหน่งสูงแต่ถ้าบุญที่มีปัญญาประกอบแล้วโลภะนําหน้านะประชาชนเดือดร้อนทั้งโลกเลยถ้าโลภะนำหน้านะสมมติถ้าโลภะนําหน้าเนี่ย ประชาชนเดือดร้อนทั้งโลกเราะจะขูดรีดประชาชนมาได้ทั้งหมดเลยอย่างเช่นเขาบอกว่าบางประเทศเนี่ยผู้นำกรอบโกยแค่นั้นแหละนะขูดรีดประชาชนเดือดร้อนหมดเลยเดือดร้อนหมดเดือดร้อนขนาดไหนเดือดร้อนขนาดว่าหาน้าจะดื่มไม่ได้เพราะน้ำมันแพงมากกพางั้นบางประเทศตอนนี้เมื่อเมื่อสักไม่ไม่กี่ปีมาเนี่ยแค่น้ำดื่มเนี่ยนะยังยังหาดื่มไม่ได้มีหญิงคนหนึ่งเขา อ, อุ้มลูกแต่ขอน้าดื่ม ระหว่างที่ไปเที่ยวข อ, ขอน้ําดื่มไม่มีใครให้น้ําดื่มเลยจนตายขอ น, ะน้ำหาดื่มจนตายแล้วไม่ได้ดื่มเสร็จแล้วก็นอนตายลูกก็ยังมาคอยดื่มน้ํานมจากยังดื่มน้ํานมจากแม่ได้ใช่ไหมแต่แม่หาน้ําดื่มไม่ได้เขาก็เลยสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้แม่ให้ผู้หญิงคนนี้แล้วก็เอาน้ําไปเส้ น, นนะที่ชานเมืองประเทศอาร์เจนติน่านะเก็มีอยู่ตอนนี้ก็มีเพราะว่าบางยุคเนี่ยผู้นําที่ที่ต้องการอะไรต้องการกอบโกยมากเต็มที่ก็เลย ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนกันเต็มที่เพรผัสใครที่สมมุติว่าฉลาดด้วยเก่งด้วยทําเหมือนแบบฟอร์มพ่อพระทุกอย่างแต่กอบโกยเนี่ยประชาชนเนี่ยเดือดร้อนทั้งหมดแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเมตตานําหน้าล่ะหรือคนดีคนเก่งอย่างนี้ถ้าโทสะนําหน้าบ้านเมืองก็บรรยายเนี่ยนะสงครามเนี่ยปั่นเมืองไปหมดแล้วถ้าโมหะนําหน้าก็ไม่รู้โรคภัยระบาดอะไรจะเกิดขึ้นมากมากมายเต็มโลก แต่พระองค์เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนีพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นความยิ่งใหญ่ที่เพื่อสร้างประโยชน์เพื่อสร้างความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งพระองค์ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นซึ่งบุคคลอื่นนั้นมุ่งทําลายกับสัตว์โลกแต่พระองค์เนี่ยมองเห็นสัตว์โลกเป็นเช่นกับบุตรของพระองค์ว่าพระองค์จะมาช่วยเขาเหล่านั้นได้อย่างไรขณะที่พระองค์ปฏิสนธิในพระคันของพระมารดานั้นนะนะ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุก็สะเทือนเรือนลั่นวันไหวธรรมชาติใดย่อมทรงไว้ซึ่งสภาพที่คงที่และเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าธรณีธารณีหรือธรณีเรียกว่าแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยสรงไว้ซึ่งสิ่งที่เคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวไม่ได้แผ่นดินเนี่ยไหวจริงๆเลยตอนที่พระองค์ปฏิสนธิในพระคันของพระพุทธมารดา สัมปชาโนนิคมิในกาละใดเรามีสติสัมปชัญญายืนเหยียดมือทั้งสองออกจากพระคารของพระชนนีขณะที่พระองค์คลอดนีคลอดเหมือนอะไรเหมือนกับพระธรรมกระถึกลงจากธรรมมาตก็คือเอาเท้าลงมาก่อนคือที่ธรรมมาตมันเป็นสถานที่ที่สี่เหลี่ยมเนี่ยนะก็เหมือนกับเราจะลงจากลงจากที่นั่งทับเพียบก็ยื่นเท้าลงมาก่อนหรือเหมือนบุรุษลงจากบันไดเนี่ยนะก็เอาเท้าออกมาก่อนชั้นใด พระองค์ก็คลอดออกมาฉันนั้นคลอดขณะที่คลอดก็คลอดด้วยสติและสัมปชัญญะพระพูทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะสมบูรณ์อย่างเช่นชาติสุดท้ายเนี่ยนะมีสติสัมปชัญญะอย่างลงสู่พระคันรู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนสองขณะที่ดำรงพระดรงอยู่ในพระคันเนี่ยนะก็มีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะในการคลอดจากคัน ผารปุตุชนทั้งหลายก่อนจะมาเกิดก็ไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเลยอย่างคนทั่วๆไปรู้ไหมว่าตัวจะตายไม่รู้ไอการที่ไม่รู้ว่าตัวจะตายก็แปลว่าไม่รู้ตัวว่าจะเกิดใหม่อีกแล้วนี่เรียกว่าขาดสติสัมปชัญญะข้อที่หนึ่งคือไม่รู้ตัวว่าตัวจะตายแล้วตัวจะตายแล้วไปเกิดที่ไหนไม่เข้าใจสักอย่างไปเกิดทําไมเกิดเพื่ออะไรเกิดแล้วอยู่ยังไงอะไรยังไงไม่รู้เลยอันนี้เรียกว่าไม่มีสัมปชัญญะข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองเมื่ออยู่ในคันก็ไม่รู้ตัวเมาสลบสลายอยู่ในท้องเนี่ยนะอาจจะรู้ตัวว่าเออยังไม่ตายแค่นี้ยังรู้ว่ามีชีวิตกระดิกตัวได้อะไรได้ก็แค่นั้นคลอดจากคันนี่หมดสิ้์แล้วก็สลบไปเลยอย่างเง้ย น, นะคลอดออกมาแล้วก็ค่อยฟื้นมาอีกทีหนึ่งพวกนี้เรียกว่าพวกไม่มีสติสัมปชัญญะในการอยู่ในปฏิสนธิอยู่ในครันแล้วก็คลอดจากครันกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองบางพวกมีสติสัมปชัญญะแค่จะไปเกิดเท่านั้นแหละ รู้ตัวว่าเนี่ยตัวเองจะไปเกิดในชาติหน้าแล้วนะชาติต่อไปหน้าจะได้บรรลุแน่ก็ลงไปเกิดละแต่ว่าอยู่ในคันก็ไม่รู้ตัวตอนคลอดออกมาแล้วก็ไม่รู้ตัวนี่พระอารหันต์ทั่วไปจะเป็นแบบนี้โสหรือพระมหาสีติสาวกทั่วไปแต่ถ้าเป็นพระมหาสาัคระสาวกหรือพระปฏิเจกาพรพุทธเจ้าตอนจะไปเกิดท่านรู้ตัวอยู่ในคันรู้ตัวแต่ตอนคลอดไม่รู้แต่พระพุทธเจ้านี่จะรู้หมดเลย รู้แม้กระทั่งการปฏิสนธิในคันอยู่ในคันแล้วก็คลอดจากคันมีสติสัมปชัญญะทั้งสติโดยเฉพาะศาสกะสัมปชัญญะท่านรู้ตัวเนี่ยนะท่านมีศาสกะสัมปชัญญะรู้ค่ะว่ารู้หน้าที่รู้ภารากิจของตัวเองเนี่ยว่าไปไปทำไมย้อนกลับมาตอนที่พระองค์ประสูตรจากพระคันเนี่ยนะก็ไม่มีสัมภะน้ำอะไรมาแปดเปื้อนเลยก็สะอาดบริสุทธ สาธุการังประวัตเตนติได้แก่เทวดาทั้งหลายก็สาธุการเป็นไปบทว่าอักรรมปิถะวันไวแล้วอธิบายว่าหมื่นโลกาธาตุวันไวทั้งขณะเสด็จลงสู่พระคันวันไวทั้งขณะประสูตดออกจากพระคันของพระชนนีครั้งนั้นเมื่อพระองค์เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เห็นใครที่เสมอเหมือนกับพระองค์ในการก้าวลงสู่พระคันเป็นต้น จึงตัดเป็นคาถาว่าคาถาว่าไงว่าไม่มีผู้เสมอเราในการลงก้าวลงสู่พระคันหรือไม่การลงสู่พระคันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเราในการออกจากพระคันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเราในความเป็นผู้ประเสริฐสุดในการตรัสรู้แล้วก็ไม่มีผู้ใดที่จะเสมอเหมือนกับเราในการประกาศพระธรรมจัก อธิบายตามลำดับว่าไม่มีผู้เสมอเหมือน4ี่อย่างนะข้อแรกก่อนการก้าวลงสู่พระคันบทว่าโอกรันติเมสมาณติเป็นต้นก็เพื่อแสดงความน่าอัศจรรย์ของพระองค์ในการเสด็จลงสู่พระคันเป็นต้นเพราะการเสด็จลงสู่พระคันคือการปฏิสนธิของพระองค์เนี่ยไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในข้อที่1ข้อที่2ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการคลอดออกจากพระคันเนี่ยนะในการคลอดเนี่ยไม่มีใครเหมือนจริงๆ เขามีคนสมัยใหม่พยายามจะพยายามจะบอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าคลอดแล้วไม่เหมือนคนอื่นมันเป็นไปได้ยังไงคลอดเสร็จแล้วพูดได้เดินได้พูดได้มันเกินไปเอกเอากพระองค์ไม่เหมือนใครจะไปให้บางคนกะจากจะให้เหมือนคนนั้นจะให้เหมือนคนนี้ไม่เหมือนก็พยายามจะพูดให้เหมือนอยู่นั่นแหละก็มีคนที่พยายามจะคิดแบบนี้ว่ามันเกินไปมันอย่า ง, ง, งนั้นอย่างนี้จะเอาให้เหมือนตัวให้ได้เลยนะ ให้เหมือนตัวให้ได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่มีใครเสมอเหมือนในการก้าวลงสู่คันและการคลอดออกจากคันต่อไปไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการตรัสรู้สัมโพธิญาณไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการตรัสรู้โดยศัพ์นี้โพธิเนี่ยนะโพธิเนี่ยมีหลายความหมายโพธิตรงนี้ยกตัวอย่างมาสี่ความหมายให้ดู คือต้นไม้อาริยมรรคนิพพานและสัพพานยุติญาณบอกว่าเป็นต้นก็แสดงว่าโพธิสัพพ์สามารถแปล ไ, ได้หลายอย่างจริงอยู่ต้นไม้เขาก็เรียกว่าโพธินะเช่นโพธิโพธิรุกขมูเลปธรรมาพิสัมพุทโธแปลว่าตรัสพระองค์เนี่ยตรัสเป็นพระพุทธตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกนะโคนต้นโพอันนี้กันโพธิรุกขมูเลโพธิตัวนั้นเนี่ยหมายถึงต้นไม้นะไม่ได้หมายถึงการตรัสรู้ หรืออย่างที่พระองค์พบกับอุปกะชีวกตอนไหนอันตาราจะจักขยังอันตาระาจะโพทิงพระองค์เนี่ยพบพบกับอุปกชีวกระหว่างแม่น้ำขยากับต้นโพเพราะนั้นต้นโพตัวนั้นแปลว่าต้นไม้เนี่ยนะต้นแปลว่าต้นไม้ต้นไม้ที่พระองค์ตรัสรู้บางทีต้นโพอ่โพที่แปลว่าอริยมรุ ก, ก็ได้เช่นว่าโพที่วุจจติจตูสุมคสัคเฆสุยาณัง ญาณในมรรคสี่เรียกว่าโพธิโพธิหมายถึงญาณในอริยมรรคอริยมรรคขยานนั่นแหละเป็นโพธิเนี่ยนะเช่นอะโพชงไงไหมโพชงเนี่ยก็มาจากว่าโพธินั่นแหละโพชงคือว่าองค์แห่งการตรัสรู้หรือองค์แห่งโพธิโพธิโพชงตัวนั้นเนี่ยเน้นพิเศษในขณะอริยมรรคสี่ก็คือในโพชงในขณะโสดาปติมัสกธาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมรรคนั้นอริยมรรคทั้งหลายก็เรียกว่าโพธิ อย่างที่สนิพพานก็เรียกว่าโพธิเหมือนกันเช่นในพุทธพจน์ที่ว่าตวัตปัตตวานะโพธิอมตังอะสังคตังบรรลุพระนิพพานอันเป็นอมตะพระนิพพานเนี่ยเป็นอมตะพระนิพพานนั้นเป็นอสังคตะนั้นโพธิแปลว่ า, น, า, น, รรานิพพานตรัสรู้พระนิพพานที่เป็นอมตะเป็นอสังคตะ บางแห่งก็โพธิที่นี่หมายถึงพระสัพพัญยุตยานเช่นปปโปติโพทิงวรวรภูริเมทโสพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาประเสริฐกว้างขวางเหมือนแผ่นดินเสมอเหมือนกับแผ่นดินทรงบรรลุพระสัพพัญยุตยานแต่ในที่นี้เนี่ยนะพราคที่คำที่พระองค์ตรัสว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการตรัสรู้หมายถึงอะไร หมายประสงค์เอาอารหัตตมรคยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนอรหัตตมรคยานของพระองค์เลยบางท่านก็บอกว่าสัพพัญยุตยานที่บอกว่าเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในพระสัพพัญยุตยานที่จริงก็คือไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ในอรหัตตมรคยานที่เป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญยุตยาน เนี่มีผู้ตั้งความสงสัยขึ้นมาว่าถามว่าพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยสัมโพธิญาณสรรเสริญพระองค์เองทําไมไม่เอาคุณธรรมเรื่องอื่นมาสรรเสริญทําไมชื่นชมอรหัตตมัคคิยานที่เป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญยุตยานเนี่ยมาสรรเสริญว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในอรหัตตมัคคิยานเพราะจริงๆริอรหัตตมัคคิยานของพร ะ, ะสุขาวิปัสสระผู้เป็นวิชาสามอภิน ญ, ญา6ปฏิสัมพิทาสี่ทั้งหลาย ท่านเหล่านั้นก็มีอรหัตตมัคคายานแต่ทําไมไม่เรียกว่าสัมโพธิที่มันสูงสุดละ่ะตอบว่าเพราะสัมมาเพราะสัมโพธิญาณคืออรหัตตมัคคายานเนี่ยให้พระพุทธคุณสําหรับพระองค์ทุกอย่างความตรัสรู้พร้อมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นให้คุณทุกอย่างย่อมให้พระพุทธคุณทั้งหมดเนี่ยนะให้พระพุทธคุณทั้งหมดเลยถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยบอกว่า อร h a t h a m a k h y a ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับอภิเสกเป็นกษัตริย์เนี่ยนะอภิเสกเป็นพระธรรมราชาเนี่ยนะอภิเสกพวกพุทธคุณเนี่ยขึ้นมาเพราะถ้าอรหั t ตม m a k h y a เหล่านั้นไม่เกิดขึ้นอรหัต h อร Hathamak นั้นไม่เกิดขึ้นพุทธาภิเสกก็ยังไม่เกิดขึ้นอภิเสกในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เกิดขึ้นถ้าความเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นพระพุทธคุณทั้งหลายก็ยัง ไม่มีพันการตรัสรู้คืออรหัตธรรมของของพระองค์นั้นน่ะให้พระคุณทุกอย่างให้พระคุณทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือแต่ว่าอรหัตมรรมของคนอื่นเนี่ยไม่ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ให้สำเร็จคุณธรรมเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะบรรดาคนทั้งหลายอื่นคนอื่นเช่นใครบ้างผ้าหั่นทั่วไปเนี่ยนะ ให้เพียงอรหัตผลเท่านั้นท่านเป็นพวกปัญญาวิมุตต์ได้เฉพาะอารหัตผลจริงๆ น, นะท่านอย่างที่พระสูตรสูตรหนึ่งสุสีมะสุสีมะปริภาชกเข้ามาบวชเป็นพระพิสุสุสีมะเนี่ยนะพอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเขาบอกเอาองค์นั้นบรรลุเป็นพธาตุหันแล้วองค์นั้นบรรลุเป็นพธาตุหันแล้วท่านก็เลยเข้าไปอยากรู้จริงๆว่าเขาเป็นพธาตุหันเป็นยังไงเออท่านเป็นพธาตุหันท่านเ ล, ลึกชาติได้ไหมไม่ได้ ท่านเห็นสัตว์เกิด ส, สัตว์ตายไหมไม่เห็นท่านแสดงฤทธิ์ได้ไหมแสดงฤทธิ์ไม่ได้ท่านรู้ว่าระจิตของผู้อื่นทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่เอ้าแล้วท่านบอกว่าถ้านแล้วท่านบอกว่าท่านบรรลุแล้วอะก็ข้าพเจ้าเป็นปัญญาวิมุตต์น่ะไม่เข้าใจเออท่านจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจข้าพเจ้าก็เป็นปัญญาวิมุตต์เสร็จแล้วก็ถามเที่ยวถามผ้าที่เขาบอกว่าเป็นผ้าอะไรนี้เยอะแยะไปหมดก็ได้ความว่าปัญญาวิมุตต์หมดเลยท่านก็เลยสงสัยไปถามพระพุทธเจ้า พระ อ, องค์ก็ไปไปถึงพระ อ, องค์ก็แสดงธรรมพระสุสิมานั่งฟังธรรมตรงนั้นบรรลุเป็นพระอรหรอันต์พอบรรลุเป็นพระอรหันต์สุสีมาเธอระลึกชาติได้ไหมบอกไม่ได้เธอรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายไหมไม่เกิดก็นั่นแหละเขาบอกว่าเป็นปัญญาวิมุติฉันใดแต่ว่าสุสิมาปะริภาชกตอนแรกเนี่ยเขาจะมาบวชปล้นเอาคําสอนได้ไปประกาศลัทธิของตัวเองตอนหลังก็เลยขอโทษพระพุทธเจ้าว่าที่แจกเข้ามาบวชเนี่ยเจตนารม์ไม่ดี แต่ว่าอาศัยเข้ามาอาศัยกัลยาณมิตรเนี่ยนะเกิดมาในยุคสมัยที่ดีก็เลยเรียกว่าเข้ามาจะมาทําลายกลายเป็นว่าได้ดีไปเลยก็มีนะสมัยนั้นนะก็สมัยนี้ถ้าเข้ามาก็เรียบร้อ ย, น, ยนะจะเลือกทําลายส่วนไหนล่ะว่างั้นพูดถึงว่าอารหัตตะมักของบางท่านเนี่ยให้เพียงอรหัตผลที่เรียกว่าปัญญาวิมุตต์เท่านั้นเองบางท่านได้แค่ปฐมฌานริงๆ ได้ปฐมฌานบางท่านก็ระดับทุติยะฌานตติยะฌานจตุตัฌานบางท่านให้วิชาสามพาฐานบางท่านมีวิชาสามคือมีปุเพนิวาสานุสติญาณมีจุตูปปาตญาณและมีอาสวยายาัคคยญาณบางท่านมีอภิญยาหกแสดงฤทธิ์ได้มีตาทิพมีหูทิพระลึกชาติได้เป็นต้นไงบางท่านได้ปฏิสัมพิทาสีอย่างแตกฉานแล้วก็บางท่านก็ได้สาวกบา ร, รมียาเช่นภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะถึงสาวกบา ร, รมี เรียกว่าสุดยอดของพระสาวกทั้งหลายบางท่านก็ให้ปัจเจกับโพธิยานเท่านั้นแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายแต่อรหัตมรรคขยานของพระพุทธเจ้านั้นให้คุณสมบัติทุกอย่างแก่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญพระองค์เองว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในสัมโพธิยาน เพราะว่าอรหัตตมัคคายคือสัมโพธิญาณของพระองค์นี้ให้พระพุทธคุณครบถ้วนทุกอย่างเนี่ยนะเช่นอรหันสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทวานุตโรปุริสตามสารติเนี่ยสรวัพุทธคุณทุกอย่างเนี่ยมาจากอรหัตตมัคคายนของพระองค์พระองค์จึงชื่นชมว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการตรัสรู้เพราะว่าหลังจากการตรัสรู้ของพระองค์เพียงพระองค์เดียวนั้ น, นะอะยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ตรัสรู้ตาม หาประมาณไม่ได้อันหนึ่งพระองค์นี้ทรงทำพื้นปฏาปีให้หวันไหวแล้วก็บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในสัมโพธิญาณ3ข้อและใช่ไหมว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนสี่ข้ อ, อข้อแรกลงสู่คันข้อสองออกจากคันข้อ3การตรัสรู้สุดข้อที่4คื อ, อ, คอการประกาศพระธรรมจักร คำว่าธรม ร, มานะธรมจักไม่มีสองอย่างเนี่ยนะธรรมจักในที่นี้หมายถึงปัญญานะเน้นที่ตัวปัญญาธรรมจักตัวนั้นมีสองอย่างคือปฏิเวทญาณกับเทศนายานธรรมจักกับปวตนะปวัตตนะเนี่ยนะหมายถึงตัวปัญญานะปกตินี่เราจะรู้ว่าโดยทั่วๆไปจะนึกถึงว่าธรรมจักคืออะไรคือพระสูตรสูตรหนึ่งแต่ตรงนี้คําว่าธรมรมจักในหมายถึงปัญญามีสองประเภทคือ1ปฏิเวทญาณสอง เทศนายานคือปัญญาสองอย่างสองอย่างนั้นอันดับแรกก่อนว่าท ร, รมาจากอันพระปัญญาอบรมแล้วนํามาซึ่งอริยผลแด่พระองค์ชื่อว่าปฏิเวทยานอย่างที่สองทำมาจากอันพระกรุณาอบรมแล้วนํามาซึ่งอริยผลแก่สาวกทั้งหลายชื่อว่าเทศนายานปฏิเวทยานเป็นโลกุตระกุศล ส, สหรคตด้วยอุเบกขาไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ส่วนเทศนายานเป็นโลกยะเป็นอัพยากตะเป็นมหากิริยา ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าปัญญาอบรมทําให้เกิดการตรัสรู้สําหรับพระองค์ขึ้นพระองค์นี้อบรมปัญญาโดยเฉพาะปัญญาสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชงในขณะอรหัตตมรรคเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะนำมาซึ่งอรหัตตผลสําหรับพระองค์เองอันนั้นเป็นปฏิเวทญาณก็เรียกว่าเป็นธรรมจักเหมือนกันอรหัตตมรรคเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่อรหัตผลอรหัตตมรรคปัญญานั้นเรียกว่าปฏิเวทญาณ เป็นธรรมจักรประเภทปฏิเวทยานส่วนเมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วกรุนาการุนาเนี่ยอบรมหรือการเจริญกรุนาเนี่ยมากเพราะการุนาเป็นตัจใจทำให้พระองค์แสดงทำให้สาวกทั้งหลายบรรลุอริยผลนั้นอริยผลของสาวกทั้งหลายเกิดจากเทสนายานันเทสนายานนามาซึ่งอริยผลของสาวกทั้งหลาย ปฏิเวทญาณคืออรหัตตมักเนี่ยนะเป็นโลกุตระกุศลอรหัตตมักนี้เป็นโลกุตระกุศลอรหัตตมักของบางท่านระดับโสดาบระดับปฐมฌานนะก็เรียกว่าปฐมฌานอรหัตตมักบางท่านทุติยฌานอารหัตตมักบางท่านตาติยฌานอารหัตตมักอย่างพระพุทธเจ้านี่เป็นเจตุทัชฌานอารหัตตมักเจตุทัชฌานอารหัตตมักของพระองค์นั้นเป็นอุเบขา ไม่มีวิตกประกอบไม่มีวิจารณ์ประกอบด้วยเจงถ้าให้เต็มก็บอกไม่มีติปิติประกอบไม่มีสุขประกอบด้วยเพราะว่ า, าประตรัสรู้อรหัตตมัคคยานด้วยอรหัตตมัคคยานระดับจตุทชฌานเรียกว่าจตุทชฌานอารหัตตมัคเนี่ยนะส่วนเทศนายานเนี่ยนะเทสนาคมพูดที่แสดงธรรมเนี่ยเกิดจากมหากิริยามหากิริยาญาณสัมปยุทธ์เนี่ยนะบางสูตรก็เป็นอาังขาริก บางสูตรก็เป็น ส, สังขาริกในขณะที่พระองค์แสดงธรรมแต่ว่าการุณาเป็นปัจจัยเพรันคําว่าธรรมจักรนี้เป็นเป็นอะไรเป็นยานที่ยานที่ตรัสรู้อริยสัจกับยานที่แสดงอริยสัจธรรมจักนี่นะธรรมจักกับปวัตนาสูตรก็คือเป็นธรมรมะตัวนั้นหมายถึงอริยสัจจักก็แปลว่าหมุนปวัตนาก็คือเป็นไปแค่ว่าหมุนอันนะัจักคืออริยสัจให้เป็นไปนั้น การตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะหมุนอริยสัจให้เป็นไปขณะตรัสรู้ก็ชื่อว่าหมุนให้เกิดขึ้นเพราะปัญญาที่อ บ, บรมโดยพระองค์เองพระองค์จึงตรัสรู้อริยสัจอันนี้ด้วยอนุภาพของปัญญาของพระองค์พระองค์ตรัสรู้อริยสัจเหล่านั้นแล้วก็เอาอริยสัจมาบอกแต่งตั้งประกาศเปิดเผยทําให้ตื้นแก่พระสาวกทั้งหลายอันนั้นเพราะการุณาพันกรุณา เป็นปัจจัยแก่เทศนาญาณนั้นธรรมจักเป็นชื่อของปฏิเวทญาณญาณที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเทศนาญาณเอาออกมาแสดงผลแห่งการแสดงธรรมจักของพระองค์เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นต้นเราก็จะรู้จักธรรมจักในฐานะพระสูตรสูตรหนึ่งที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็แสดงครั้งแรกแก่พระพิสุปัญจวักขีโดยมากก็จะรู้ในฐานะพระสูตรแต่จริงๆคำว่าธรรมจัก ธรรมจักรกับปวัตนะนี่หมายถึงปัญญาในปฏิเวทยานกับปัญญาที่เป็นเทสนายานของเราก็รู้รู้จักในฐานะผลผลิตของเทสนายานของพระองค์